ไม่ละสนใจอะไรมานมานนะชอบฟังเทศนะฟังธรรมเวลาฟังธรรมนะ่ะเรียบร้อยมากเลยสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลพวกสร้างบารมีเยอะนะคือไม่ใช่พวกกระจอกงอกง่อยน ะ, ะกระจกงอกง่อยเป็นมานไม่ไหว <c oughs> ตกนรกไปหมด <c oughs> ไปถึงไหนล้วเมื่อเช้า <c oughs> อ้าวพี่ไบเชิญ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 ภาวนาจนแข็งอกเลยรู้สึกดีถ้าจะอย่างเงี้ยจะบรรลุแล้ว <c oughs> นะบางทีโอก๋ก็หมุ น, นี้อาจะเห็นว่าเหมือนกับว่าครั้งครั้งมันหมุนเตี้ยนนะหลงละลงไปดูเขา้าเห็นมหลงไปสนใจเขา้าลืมตัวเองอ่ะโอ้ต่อมันเหมือนกับโอรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับหมุนตี้วมากเลยค่ะหลวงพ <c oughs> ่อเหรอ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 ทำใจได้ดีขึ้นกว่าเมื่อเมื่อไหลาเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรประมาณนี้นะะพยายามควบคุมได้เยอะขึ้นก็ดีแต่ก็ยังมีห<ร>ลุดหลุดอยู่บ้างควบคุม <c oughs> ใจไว้ได้ก็ดีไม่เกเรกับคนอื่น <c oughs> แต่เราหัดดูใจของเราพัฒนาไปจากขั้นของการควบคุมควบคุมนี้คือเรามีศีลไว้ศีลควบคุมไม่ให้เราเกเรไปตามอํานาจกิเลส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 ไม่ว่าะอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะดูพวกมันก็เห็นมานะเป็นตัวตนขึ้นมาพอคิดป๊บยิ่งถ้าคิดแรงขึ้นหน่อยเนี่ยมานะก็มากขึ้นยิ่งพูดออกมายิ่งมานะมากขึ้นอืเหมือนกับที่ครูบาอ่าเทศสอนวันนั้นเนี่ยมันก็เห็นเห็นจริงๆเลยครับดีนะดีแล้วนักลบเห็นกิเลสตัวเองดีที่สุดเลยแหละเราชอบเห็นกิเลสคนอื่นเห็นกิเลสคนอื่นแล้วกิเลสเราเยอะ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 <mister ius> คือลักษณะอง ah <sk ate> ค <ceiling> ์ประกอบสอย่างของสภาวะธรรมนะซึ anda, ่งมีลักษณะเป็นเบื้องต้นหมายถึงว่าอันแรกเช่นโทสะเนี่ยมีลักษณะร้อนนะพุ่งขึ้นมาแรงๆนะผัวพุ่งขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ออกมาทำลายล้างสิ่งโน้นสิ่งนี้นะแล้วก็ถ้าทำมันทำงานขึ้นมาแล้วมันจะมีผลยังไงเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นเป็นลาดับไปตัวมันเป็นยังไงมันทาหน้าที่อะไร